23. ่สิบรมอุปสมปเทตับพระปัญจกะว่าด้วยองค์หแห่งภิกษุผู้ควรให้อุปสมบท16หมวดเรื่องภิกษุประกอบด้วยองค์ห้ากันหับปักฝ่ายดำ1ข้อ84ิภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงใช้สมณีอุปถาคือ หนึ่งไม่ประกอบด้วยศีละขันธ์อันเป็นอาขะสองไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาขะสามไม่ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอาศะสี่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอาขะห้าไม่ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นอาศะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหละ ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถาสุกกปักฝ่ายขาว 1. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถาคือ 1. ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาศะขักสประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเศะขะ 3. ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเศะขะ 4. ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอาเซฆะ 5. ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนขันอันเป็นอาเซฆะภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยขันห้5เหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปทานวงเล็บง2งกันหัปัก 2. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีก ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สัมเนนอุปถาคือ 1. ตนเองไม่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาเซฆะและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาเซฆะสตนเองไม่ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอาเซฆะและไม่ชักชวนผู้อื่นในสมาธิขันธ์อันเป็นอาเซฆะส ตนเองไม่ประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอาศะคะและไม่ชักชวนผู้อื่นในปัญญาขันอันเป็นอาศะคะ 4. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอาศะคะและไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติขันอันเป็นอาศะคะ 5. ตนเองไม่ประกอบด้วยวิมุตติยานทัศน์ขันอันเป็นอาศะคะและไม่ชักชวนผู้อื่นในวิมุตติยานทัศน์ขันอันเป็นอาศะคะ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณเนอุปถากรวงเล็บ3าสุกปักภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถาคือ 1. ตนเองประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอาเคฆะและชักชวนผู้อื่นในศีลขันธ์อันเป็นอาเคฆะ 2ตนเองประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอาศะค่ะและชักชวนพื้นในสมาธิขันอันเป็นอาศะค่ะสตนเองประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอาศะค่ะและชักชวนพื่นในปัญญาขันอันเป็นอาศะค่ะ4ตนเองประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอาศะค่ะและชักชวนพื้นในวิมุตติขันอันเป็นอาศะค่ะ 5. ตนเองประกอบด้วยวิมุตติยานทัศนคันอันเป็นอาศะค่ะและชักชวนพื้น ในวิมุตติยันทัศนคันอันเป็นอาศัยขับภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใชส้สมณีอุปถากวงเล็บสีกันหปัก 3. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใชส้สมณีอุปถาคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ไม่มีฮิริ 3. เป็นผู้ไม่มีโอตปัดสี่เป็นผู้เกียจคร้าน 5. เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณ น, นอุปถากวงเล็บ5สุกปัก3ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้า พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สามเณรอุปถาคือ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีฮิริ 3. เป็นผู้มีโอตต ป, ปะ 4. เป็นผู้ปรารบความเพียร 5. เป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงให้สามเณรอุปถาบองค์งเล็บห กันหัปัก 4. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนุปถาคือ 1. เป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีล 2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัจฉาจารย์ 3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย 5. เป็นผู้มีปัญญาสาม ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณินอุปถาบวงเล็บเจ็สุกปะปัดสภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถา ค, คือ 1. เป็นผู้ไม่มีศีลวิบัติในอธิศิล 2. เป็นผู้ไม่มีอาจารวิบัติในอัชาจารย์ 3. เป็นผู้ไม่มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก 5. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหละพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณ น, นอุปภานวงเล็บ8กัณหปัก5ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห แม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีน อ, อุปถาคือ 1. ไม่สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิบหรือสัตธิวิหาริกผู้เป็นไข้ 2. ไม่สามารถระงับเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสันสาไม่สามารถบรรเทาเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรม 4. ไม่รู้จักอาบัต 5ไม่รู้จักวิธีออกจากอาบัติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณจอุปถานวงเล็บ9สุกประปักหภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีอุปถานคือ 1. สามารถพยาบาลเองหรือใชใ้ผู้อื่นพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัตว์ที่วิหาริกผู้เป็นไข้ 2. ส, สามารถระ ง, งับเองหรือใชใ้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับความกระสัน 3. ส, สามารถบรรเทาเองหรือใชใ้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมสรู้จักอาบัตห้รู้จักวิธีออกจากอาบัตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงให้ อ, อุปสมบทจึงให้นิสัย พงใช้สมณี น, นอุปทานบกเล็บ1ิกัหาปัก6ภิษสทั้งหลายภิษูผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณนเนอุปฐาคือ 1. ไม่สามารถฝึกปรืออันเตวาสิกหรือสัตถิวิหาริกในอภิสมาจาริกาสิกา 2. ไม่สามารถแนะนำในอาทิพรมจริยกา สิกขา 3. ไม่สามารถแนะนําในอภิธรรม 4. ไม่สามารถแนะนําในอภิวิเนย 5. ไม่สามารถเปลื่องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถาบวงเล็บ11สุกปัก 6. หพิกษุทั้งหลาย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 สามารถเปล่องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นได้โดยธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนอุปถาควงเล็บ12กันหปัก7ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถากคือ หไม่รู้จักอาบัตสองไม่รู้จักอนาบัติ 3. ไม่รู้จักอาบัตเบา 4. ไม่รู้จักอาบัตหนักห้าจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารไม่ได้ดีจำแนกไม่ได้ดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัย ไม่พึงใช้สมณเ น, นอุปถากวงเล็บ13สุกปัก 7. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณีนนอุปถาคือ 1. รู้จักอาบัตสอรู้จักอนาบัตสารู้จักอาบัตเบา 4. รู้จักอาบัตหนักห้าจำปาติโมกทั้งสองดโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะ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 1. ไม่รู้จักอาบัตส 2. ไม่รู้จักอนาบัตส 3. ไม่รู้จักอาบัตเบา 4. ไม่รู้จักอาบัตหนัก 5. มีพรรษาย่อนส 10. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสัยไม่พึงใช้สมณีนอุปถากวงเล็บ15สุขกะปัก8ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5พึงให้อุปสมบท พึงให้นิสัยพึงใช้สมณินอุปถาคือ 1. รู้จักอาบัตสอรู้จักอนาบัติ3รู้จักอาบัตเบา 4. รู้จักอาบัตหนัก5มีปรรษาครบ10หรือมีปรรษาเกิน10บภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลพึงให้อุปสมบทพึงให้นิสัยพึงใช้สมณินอุปถาควงเล็บ16อุปสัมปาเทตพระปัญจกะ สิบหกหมวดจบ